การสวดมนต์ภาษาไทยสำหรับคนที่ไม่นถนัดภาษาบาลีและมีเวลาไม่มากนะครับสามารถสวดภาษาไทยอย่างเดียวได้เลยเพราะบุญและอนิสงฆ์ทุกอย่างเกิดจากจิตที่เข้าใจความหมายเป็นสำคัญภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเบื้องต้นของจิตเพื่อให้เข้าใจกันได้ในโลกนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณจะพูดภาษาอะไรก็คือการขอบคุณหากคนต่างชาติพูดภาษาไทยว่าขอบคุณพูดเป็นนกแก้วนกขุนอทอง โดยไม่เข้าใจความหมายสักแต่ว่าพูดออกไปมันจะเกิดเป็นการขอบคุณที่ออกจากใจเขาได้จริงหรือไม่หากใครมาบอกรักเราโดยที่ท่องจำมาไม่ได้บอกรักด้วยใจที่มีความรักจริงๆและสิ่งที่พูดออกมาก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้าว่าแปลว่ารักคนฟังจะประทับใจและรู้สึกดีได้สักแค่ไหนเชียวเช่นกันนะครับการสวดมนต์หากสวดแบบไม่เข้าใจคาแปล ก็ไม่ต่างอะไรกับการบอกรักที่สักแต่ว่าพูดออกไปโดยใจไม่ได้รู้สึกและไม่เข้าใจความหมายว่ากำลังพูดอะไรออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเทวดาท่านจะไม่รู้เรื่องเพราะในโลกทิพยนะ์น่ะเขาใช้ภาษาใจคุยกันนะครับจะพูดภาษาอะไรความหมายในใจมันก็เหมือนกันจะเป็นคนประเทศอะไรตายไปแล้วภาษาก็ไม่มีความหมาย ไม่อย่างนั้นในสวรรค์ในนรกก็คงยุ่งนะครับต้องหาล่ามมาแปลกันให้วุ่นวายหรือไม่ก็ต้องส่งเทวดาส่งย ม, มาบาลไปเรียนภาษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องนะครับจะด่าภาษาอะไรมันก็คือคำดา่าจิตก็เป็นอกุศลจะกล่าวธรรมะภาษ า, าอะไรก็ยังคงเป็นธรรมะนั้นๆไม่เปลี่ยนแปลงจะสวดมนต์ด้วยภาษาอะไรความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง อย่า ง, งมงายว่าคำสวดมนต์เป็นของขลังเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะครับแค่ท่องแล้วจะเกิดสิ่งดีๆหากแท้จริงแล้วการสวดด้วยความเข้าใจความหมายและน้อมพิจารณาในใจให้เห็นถึงพระคุณของสิ่งที่เราบูชาหรือน้อมนำข้อคิดที่เป็นธรรมะซึ่งแฝงในบทสวดนั้นๆมาใช้ตัางหากที่จะส่งผลมีอนิสงส์จเจริญในทุกๆด้านได้สมบูรณ์จริงๆ สวดมนต์ไหว้พระและอย่าลืมกราบไหว้บูชาดูแลพระในบ้านด้วยนะครับหากแม้ผู้มีพระคุณยังไม่รู้จักดูแลให้ดีจะหาความเจริญจากที่ไหนให้สวดมนต์จนปากฉี่ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นมาหรือมีความสุขได้จริงๆหรอกนะครับพระลูกชาวบ้านเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้บริสุทธิ์มีศีลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอแค่ห่มเหลืองหลายคนก็พร้อมจะอ่อนน้อมก้มกราบพูดเพราะเอาใจสารพัด กับพ่อแม่ตัวเองตะคอกใส่ไม่เคยสนใจให้หากินเองแต่กับพระจะเฟ้นหาของดีดีสุดยอดไปถวายให้ได้มองพ่อแม่ให้เหมือนพระองค์หนึ่งที่ห่มเหลืองนะครับแล้วกระทาทุกอย่างกับท่านเหมือนเวลาเจอพระนั่นแหละมหาอภิโคดมงคลสูงสุดระดับแรกที่ทุกคนควรใส่ใจและควรควายทำกันก่อนนะครับ หากาคาถาสวดมนต์ไหนไม่ได้ผลนะครับสวดท่าไรชีวิตก็ไม่ดีขึ้นสักทีลองคาถาบทสั้นๆผมเลือกตัวอย่างมาให้แล้วก็ลองเอาซักคาถานะครับรับรองผลว่าส่งให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่นอนตัวอย่างคาถาก็เช่นรักคุณพ่อรักคุณแม่นะครับรักจังเลยทานข้าวหรื อ, อยังครับอยากทานอะไรไหมครับอยากไปเที่ยวที่ไหนไหมครับอยากได้อะไรไหม หรือว่าคาถาแบบกันเองนะครับรักที่สุดในโลกเลยครับพอว่าคาถานี้จบนะครับก็เข้าไปกอดหอมแก้มซักฟอดกราบเท้าด้วยก็ดีอย่าลืมว่าคาถาทุกบทต้องท่องบ่นเป็นประจำนะครับคาถารักพ่อรักแม่เนี่ยให้ท่องทุกวันท่องต่อหน้าพระพ่อพระแม่เรานี่แหละรับรองชีวิตเจริญรุ่งเรืองเป็นยาดีแก้ซวยได้เกือบทุกเรื่อง จำไว้ว่าทำอะไรกับพ่อแม่ตัวเองไว้ก็จะได้รับการกระทำนั้นๆกลับคืนจากคนทั้งโลกเช่นกันให้ลองสังเกตนะครับถ้าเราพูดดีกับพ่อแม่ส่วนใหญ่แฟนเราเพื่อนร่วมงานเจ้านายก็จะพูดดีกับเราแต่หากเราทาให้ท่านเสียใจทําให้ท่านไม่สบายใจนั่นแหละมันจะกลับคืนมาในรูปแบบที่เราปฏิเสธไม่ได้ ทั้งจากแฟนจากคนรักจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายหลายคนคิดว่าทั้งกับพ่อแม่แล้วก็ต้องได้รับจากลูกของเราอีกทีจริงๆแล้วกฎแห่งกรรมเขาไม่ได้เลือกบุคคลนะครับเขาเลือกแค่ว่าทำอะไรกับบุคคลอื่นไว้รู้สึกทางใจแบบไหนแค่ไหนนั่นแหละผลตอบแทนมันจะคืนกลับมาที่ใจเราเท่านั้นและอาจจะมากกว่าเดิมด้วยตามน้าหนักของคุณธรรมและบุญคุณของคนที่เราทานะครับ บูชาพระรัตนตรัยควบคู่ไปกับการบูชาพระพ่อพระแม่เนี่ยแหละเหตุปัจจัยแห่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งภพนี้และภพหน้าของจริงครับไหนๆแล้วก็ขอแถมคาถาพิเศษให้อีกสักบทนะครับเป็นคาถาสั้นๆที่ท่องทุกวันท่องบ่อยๆรับรองว่าเกิดแต่มหามงคลใส่ตัวผู้คนจะหลงรัก ไปไหนมาไหนจะปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองคาถามหาเมตตามหามงคลบทพิเศษนี้ก็คือขอบคุณครับสวัสดีครับขอโทษครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับโชคดีนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับพร้อมรอยยิ้มด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงแค่นี้แหละสยบปัญหาทุกเรื่อง และเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้จริงสวดบาลีวันและเป็นชั่วโมงแต่พอออกมาเจอคนไม่รู้จักทักทายไม่รู้จักมีน้ำใจเป็นห่วงเป็นใยไม่รู้จักช่วยเหลือไม่มีความปรารถนาดีให้ทำงานขายของไม่รู้จักยิ้มไม่รู้จักขอบคุณไม่รู้จักไหว้มันจะเจริญได้ยังไงละ่ะอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกกตัญญูแต่ไม่เคยสอนให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนอื่น ไม่เคยสอนลูกให้รู้จักบุญคุณคนแม้แต่ขอทานนะครับเราก็ต้องมอให้เห็นว่าเขาก็เป็นผู้มีพระคุณให้เราได้ทาบุญได้เป็นคนให้ทานคนขายข้าวแกงเขาก็มีพระคุณที่ทำให้เรามีข้าวกินไม่ต้องมาทำเองให้เหนื่อยหากไม่มีกรรมกรก่อสร้างเราจะมีตึกสวยๆ ส, สบายๆอยู่กันได้ยังไงหากสอนลูกให้เห็นบุญคุณของทุกสิ่งที่พบเจอแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัว ให้เกียรติคนอื่นแม้แต่กรรมกรหรือขอทานนี่แหละมงคลกับชีวิตลาบยศสรรเสริญสุขทธนสารสมบัติจะไหลามาเทมาจะเป็นที่รักของคนทั่วไปและเหล่าเทวดาเหมือนดังที่คําพระท่านสวดบาลีเวลาอวยพรให้เรานะครับคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเหตุแห่งลาบยศสรรเสริญทั้งหลายและสําคัญที่สุดนะครับ หากลูกเราสำนึกในบุญคุณแม่ขอทานกรรมกรแม่ค้าหรือคนกวากถนนได้ว่าพวกเขามีบุญคุณกับเราแค่ไหนนับประสาอะไรกับบุญคุณใหญ่ล้นพ้นของพ่อแม่ซึ่งเห็นได้ชัดมากกว่าหากเราไม่เคยสอนลูกหลานให้รู้จักกระตันยูรู้คุณในสิ่งเล็กน้อยก็แน่ละที่เขาจะกะตันยูรู้คุณพ่อแม่ได้ยากและผ่านคิดไปว่านี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ ที่ทำให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูให้ดีทุกวันเนี้ยเราโทษแต่เด็กว่ามันเลวมันไม่ดีแต่ไม่เคยเหลียวมองโทษตัวเองกันเลยว่าแล้วเราละ่ะเลี้ยงพวกเขาได้ดีพร้อมจริงๆแล้วหรื อ, อยังแค่สอนให้ลูกสวดมนต์ทุกวันและสำนึกในบุญคุณของสิ่งรอบตัวก็ยังทำกันไม่ได้เลยหากอยากให้ลูกเป็นคนดีทำยังไงก็ได้ ให้สวดมนต์ให้ได้ทุกวันแม้ว่าจะต้องเอาเงินมาล่อเอารางวัลมาล่อก็ทำไปเถอะมันไม่เสียหายหรอกนะครับเหมือนจ้างให้เด็กกินผักเด็กจะยอมกินเองหรือจะกินเพราะเงินมันก็ได้วิตามินได้ประโยชน์เหมือนกันพอสวดจนคุ้นชินจิตมันจะชินกับของสูงและเกิดเป็นความเต็มใจในการสวดมนต์ไปเองสิ่งเดียวที่พ่อแม่จะให้ลูกเป็นที่พึ่งได้จริงก็คือคุณธรรมเท่านั้น ไม่ใช่ความรู้ทางโลกที่เราต่างพยายามยัดเยียดให้เด็กต้องเรียนให้สูงเข้าไว้เป็นคนเก่งแต่เลวไม่มีคุณธรรมแล้วจะมีประโยชน์อะไรยิ่งเก่งมากก็ยิ่งทำเลวได้มากกว่าคนอื่นแต่คนมีคุณธรรมต่างหากที่จะเป็นรากฐานให้แสแวงหาความรู้ตั้งใจเรียนกลายเป็นคนเก่งและเอาตัวรอดได้จริงทั้งพบนี้และพบหน้าอีกยาวไกลฝากให้พิจารณากันด้วยนะครับ